สานวิทยุเอฟเอกํำลังเสนอรายการสันนิษฐาสนทนาอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นการสนทนาเพื่อที่จะให้ท่านนั้นได้รู้จักกับสิ่งที่พระพุทธอง์ตรัสสอนไว้ที่เรียกว่าเป็นผู้ทวจนะให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติกับอีกส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นการที่ให้ท่านได้ฟังวิธีการใช้พุทวจนะมาประกอบการตอบคาถาม ซึ่งเราเรียกว่าเปิดทรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธธ้ทวจนะและตอนนี้ก็จะมาถึงช่วงเวลานั้นแล้วนะคะพระเพรบุอภิบุญโนจากวัดป่าดอนหายโศอุดรธานีก็ยืนยดีที่จะทํารายการอย่างสม่ําเสมอด้วยมาถึงวันนี้ค่ะกราวในวัสดการ่ะท่านคะเยี่ยมบานค่ะวันนี้ถ้าเกาะตามที่ท่านมาร์คได้อ่านประสุนในเบื้องต้นจะเป็นเรื่องของโพชงค่ะโพชงใช่โพชงนี่ถ้าพูดภาษา ภาษาชาวบ้านนะนะก็คือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมแต่มันก็ยังยังไม่ค่อยพ้นประตูวัดจุดดีเอาใหม่มันจะแปลว่าองค์ประกอบที่จิตจะต้องมีนะที่จะทําให้ตรัสรู้ธรรมได้หมายควว่าองค์ประกอบที่จิตจะต้องมีเพื่อทําให้จิตดวงเนี้ยพร้อมแก่การบรรลุธรรมยังไม่บรรลุนะแต่พร้อมละที่จะบระรลุยังไม่บรรลุนะสามีทีหนึ่งนะถ้าคุณมีองค์ประกอบพวกนี้เนี่ยนะจิตคุณนี่พร้อมแก่การบรรลุธรรมละแต่ยังไม่บรรลุนะ มันต้องมีขั้นนึงต่อไปก่อนนะที<ช>นี้ว่าโพชงเจ็ดเนี่ยมันเป็นลักษณะว่าองค์ประกอบที่ถ้าจิตเราเนี่ยมีแล้วเราจะพร้อมนะในการที่จะเข้าลงสู่วิมุติได้นะเอ๊ะมันจะมาได้ยังไงไอ้องค์ประกอบพวกนี้นะมันก็ต้องมีเหตุนะเหตุที่ทําให้เจ้าโพชงนะองค์ประกอบตัวเนี้ยพวกนี้เกิดขึ้นได้เนี่ยนั่นก็คือจิตเราต้องมีสตินะถ้าจิตเรามีสติแล้วอ่าองค์ประกอบพวกนี้เกิดขึ้นได้นะ สติไม่มาจากอะไรสติก็ไม่ได้อยู่ๆเกิดขึ้นเองก็ต้องมีเหตุของมันมาในเหตุของสติก็คือลมหายใจแตนะถ้าเรามาดูลมหายใจอยู่ย่างถูกต้องตามกระบวนการที่พระเจ้าพูดถึงอนาปนาสติใช่ไหมสตินี่เกิดขึ้นได้ละ่ะนะสตินี่ถ้าจะแบ่งนะพระเจ้าก็แยกองค์ประกอบให้ดูนะมีทั้งส่วนที่เป็นใช้กายเป็นฐานที่ตัง้งนะใช้เวทนาใช้จิตใช้ธรรมเป็นฐานที่ตั้งได้ทั้งหมดนะสติตัวนี้ก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละนะเมียเป็นตัวที่จะเป็นเหตุให้โพชฌงเจตเกิดได้ <น> <Okay. S 1> พอช่วงเจเกิดปุ๊บจิตคุณพร้อมนะพร้อมที่จะก้าวลงสู่การบรรลุธรรมละทีนี้7จข้อมีอะไระท่านมาก็ได้เล่าให้ฟังเรียบร้อยนะเรามาทบทวนตรงนี้นิดนึงเนาะนแรกก็คือสตินั่นเองก็พระเจ้าก็เลยมีชื่อใหม่ที่ว่าสติสัมโพชงคือองค์ประกอบที่จิตจะต้องมีเพื่อที่จะให้จิตดวงนี้พร้อมแก่การตรัสรู้ธรรมหนึ่งในนั้ น, นคือสตินั่นเอง สตินี่ก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบอยู่แล้วอันที่2เพราะว่าคนที่มีสติเนี่ยนะคุณยมติวมันจะไม่ไหลไปตามสิ่งที่มากระทบนะคือรู้อยู่แต่ไม่ไหลไปตามนะรู้อยู่แต่ไม่วิ่งหนีนั่นคือรู้เฉยใช่ไหมนะพอมันรู้อยู่อย่างนี้อาศัยอํานาจอะไรในการที่เขาจะมารู้เฉ ย, ยาเขาไม่ลุ่มงไปตามทําเขขาไม่่ยักแ้งงเดชนนพราะว่าจริงๆเขามีการใกลรร้ควรธรรมะอยู่นะธรรมะเนี่ยอำนาจของธรรมะนี่จะทให้คุณสามารถที่จะปล่อยวางได้บ้าง จึงไม่ไหลไปตามแต่ตรงนี้คือการที่เรามาคิดวิเคราะห์ใคร่ครวนธรรมะนั่นเอ ง, งการคิดวิเคราะห์ไคร่ครวนธรรมะนี่พระเจ้าก็ใช้ศัพท์ว่าธรรมวิจยะสัมโพชงธรรมวิจยะสัมโพชงก็คือว่าการที่เรามาคิดใคร่ครวนธรรมะเนี่ยการที่คุณคิดใคร่ครวนธรรมะเนี่ยนะเป็นองค์ประกอบที่ทำให้จิตคุณพร้อมแก่ ก, การตรัสรู้ธรรมนะอะย่างมันไม่ใช่แค่เฉพาะเวลาที่เรามาดูเราหมายใจนะคุณจอมติ๋วการคิดใคร่ครวนธรรมะเนี่ยอย่างเราเห็นใบไม้ร่วง เราเห็นฝนตกเราเห็นน้ําท่วมอย่างเงี้ยโอ้ยมันไม่เที่ยงเลยฝนก็ตก อ, อยู่ๆก็ตกฉันก็ไม่ได้อลล่มมาแล้วเราไ่กลัวว่าอันนี้เป็นธรรมะอันนี้นั่นแนหะคือธรรมะวิเชียรสัมปชงเกิดขึ้นละ อ, อือใช่แล้วล ม, มใช่มันก็ไปกับเราตลอดใช่อืมงั้นเราก็สามารถที่จะประคับประคองใชะคะ่ะทีนี้เจ้าธรรมะวิเชยรสัมโพชงเนี่ยพอเราทําไปทําไปเนี่ยเนี่ยอย่างเราเห็นฝนตกเราเห็นแดดออกเราเห็นน้าท่วมเนี่ยนะ เราปล่อยวางได้เนี่ยจิตของเราเนี่ยเออจะมีคือคือพอเรามันรู้ทำเนี่ยมันจะมีความร่าเริงเกิดขึ้นในธรรมะโอ้พริชจ้าตรัสไว้แล้วมันเป็นอย่นี้เองแต่พอเรามีความร่าเริงเกิดขึ้นในธรรมะเนี่ยนั่นคือปีติแต่มีความอิม่มเอิบใจความสบายใจขอภไยก่อนที่จะไปตรงนั้นเนี่ยอาการที่เรามาใคร่ครวญธรรมะเนี่ยชื่อว่าเราทําความเพียรแล้วแต่ตรงนั้นจึงชื่อว่าวิริยะสัมบูชงคือการทําความเพียรทางจิต นะคือการทำความเปลี่ยนทางจิตคือจิตคุณที่มาใกล้ควรธรรมะจิตคุณที่มีสติจิตแบบเนี้ยคือจิตที่มีความเปลี่ยนนะคือไม่ว่าคุณจะนอนอยู่ในโรงพยาบาลขยับตัวไม่ได้นะหรือว่าคุณไม่มีกำลังเรียบแรงที่จะยกข้าวยกของขึ้นบันไดอย่างนี้ก็ตามนะแต่ตรงที่เป็นความเปลี่ยนทางจิตนะแค่คุณใกล้ควรธรรมะคุณมีสติเนี่ยอันนี้ถูกต้องละความเพี่ยนอย่างเนี้ยทาให้จิตเราเนี่ยพร้อมแก่การตรัสรู้ทําได้ไม่ธรรมดานะคุณชมเดียวค่ะนะคะแม ก็ได้ก็ได้ฟังในสิ่งที่ล้ำค่ากันมากๆเลยอานิสงของอนาปานสติถ้าอนาปานสติการมีสติอยู่กับลมเป็นองค์ท้าท่านทำได้ดีนะคะก็เท่ากับว่าสติปฐานก็จะเจริญใช่เช่นเดียวกันเพราะธรรมานุปัสนาสติปทานเป็นส่วนหนึ่งของฐานที่ตั้งแห่งจิตตามแนวทางของของการปฏิบัติ นะคะก็อันนี้ถือว่าหนึ่งพระสูตรเองนะคะเนี่ยที่ไล่กันมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์จนกระทัง่งปลายสัปดาห์นี้ละ เ, เรียดมันเยอะอะเนาะ่ะพระเจ้าตรัสเนี่ยต้องพิพจารณาทุกคําเลยค่ะยิ่งดีฉันก็มีญาติพี่น้องที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อายุมากนะคะเนีน<ร>่ยพานดิฉันก็เห็นท่านทั้งหลายนั้นปฏิบัติธรรมโดยไม่ได้มีการมาศึกษาจากพระสูตรอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็ดูเหมือนกับว่า ท่านได้ผลของการปฏิบัติในระดับที่ดีทีเดียวคนสูงอายุที่ว่าเนี่ยอายุเกือบร้อยแล้วนะคะจริงๆอันนี้มีมีแง่มุมตรงนี้ที่ว่าคือเราจะต้องมาวิเคราะห์วิจัยแยกแยะออกมาอย่างนี้หรือเปล่าน ะ, ะคือลำดับธรรมะของพทะเจ้าเนี่ยพระเจ้าตรัสไปเลยนะคุณยมติ ว, ว่ามันเหมือนกับแม่น้ำที่ไหลลงไปสู่ทะเละคือถ้าเราปฏิบัติตามกระบวนการของสมาธิเนี่ย มันก็จะไหลลุ่มลาดเอียงเทไปสู่ทะเลเองแค่เรามามีลมหมายใจอย่างเงี้ยเดี๋ยวสติปัฏฐาน4เกิดเองสติปัฏฐาน4เกิดแล้วเดี๋ยวโพชฌงเจ็เกิดเองโพชฌงเจ็เกิดแล้วเดี๋ยวกันวิชาวิมุตต์เกิดเองมันก็เป็นไปตามลําดับไปเพราะฉะนั้นถ้าเขาปฏิบัติถูกแค่ว่ามีสติลหมหายใจเงี้ยแค่นั้นพอเลยคุณอาจจะไม่ได้จําเป็นจะต้องแยกแยะไม่ได้มีความที่ว่าจะต้องมาฟังธรรมะลึกซึ้งอะไรอย่างนี้ก็ได้เพียงแค่ว่าเราเราทําไปเรื่อยๆเราทําไปเรื่อย แล้วมันก็จะเป็นไปตามลำดับได้ก็เรียกว่าใช้เวลาทุกนาทีให้มีค่ามากที่สุดพยายามพูดเรื่องเดียวให้อยู่ตรงนั้นใช่แล้วก็บุคคลที่รู้ทำแม้เพียงบทเดียวนะแล้วก็ปฏิบัติธรรมสมควรแกร่ธรรมเนี่ยจึงจะเรียกว่าผู้สูตรด้วยซ้ำแต่ถ้าเรารู้จบพระไตรปิฎกจำพระสูตรนี้ได้ทุกบทเพียงชนะแต่ว่าในจิตเราไม่ได้ทาความเพียนตรงเนี้ย อันนั้นชื่อว่าปริยัตินี้เป็นงูพิษนะอคคะจาได้เฉยๆนะแล้วก็คือมันจะเป็นงูพิษก็ต่อเมื่อเราเอามาใช้ทุ่มเถียงกันโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้เธอปฏิบัติไม่ถูกเราฉันทำถูกอันนี้เป็นงูพิษกับตัวเขาละค่ะงูพิษก็ต้องพยายามยาทำปฏิบัติทำแล้วก็มีเมื่อกี้ท่านใช้คำว่างูพิษพระุทธเจ้าใช้คาว่างูพิษงูพิษ <c oughs> ก็คือถ้าสมมุติว่าคือหมายความว่าถ้าคุณรู้อยู่มากแล้วเนี่ยนะ <c oughs> ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะ <c oughs> ดีเราก็เปลี่ยน ง, งูพิษเนี่ยให้เป็นเซรั่มซะก็ได้นะด้วยการเอาความรู้เนี่ยมามาปฏิบัติมาน้อมเข้าสู่ตัวแทนที่จะไปพุ่งไปไปนอกแต่น้อมเข้ามาสู่ตัวของเราก็าจะทำให้เกิดประโยชน์ได้ค่ะน <c oughs> ี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้อีกแบบหนึง่งแบบสวนเขาเรียกไนะคะอีกอีกสูตรหนึ่งค่ะ นะคะวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นหนึ่งสัปดาห์ที่ที่เต็มอิ่มเสาร์อาทิตย์ถ้าสมมติเกิดท่านทั้งหลายหยุดไปไม่ได้ฟังรายการเราควรจะทําอะไรกันดีคะเนี่ยก็มาเยี่ยมอาจจะมาที่วัดป่าดอนไหนโศกก็ได้ไม่คะ <c oughs> ไปบ <c oughs> ุตรนมีท่านผู้ฟังหลายท่านเหมือนกันสักสองสามท่านนี่แหละมาเยี่ยมอย่างอาทิตย์ที่แล้วก็ อ, อมีคุณอภิสิทธิ์กับคุณจริยา นะสุภากิดมาเยี่ยมที่วัดป่าดอานไห่โศกนะก็บอกว่าเป็นแฟนรายการคุณสันสนีนี่แหละโอ้ยจริงหรอคะอนุโมทนาฟังทุกวันเลยอแลอ้ว<ล>ก็พอสิงสาที่ก็เลยมีโอกาสมาอุดรก็เลยแวะมาเยี่ยมก็เลยได้พูดคุยธรรมะกันค่ ะ, ะอืมแล้วก็ส่วนใหแล้วท่านสนใจอะไรเป็นพิเศษในเรื่องธรรมะที่จะมาฝากท่านอื่นไหมคะเราก็เกี่ยวกับการปฏิบัตินั่นเองคือธรรมะในการปฏิบัติเพราะว่าหลายๆคนที่อยู่ในกรุงเทพอ่อชั่วโมงในการปฏิบัติเนี่ย จะคือชีวิตมันวุ่นวายมากอนะตื่นมานตีห<ม>้าได้นี่ก็ดีมากแล้วเพราะฉะนั้นมก็จะมีเวลาช่วงเช้านิดหน่อยเท่านั้นเองแนะสักชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งที่ฟังรายการแล้วเอาได้ปฏิบัติ ด, ด้วยเต็มเต็มเอาดีแล้วอย่างเงี้ยแต่เนื่องจากว่าธรรมะเนี่ไม่เหมือนหลักสูตรเรียนหนังสือที่จะต้องลงทะเบียนให้เต็มเวลาเท่านั้นเท่านี้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะก็คงจะให้กําลังใจกันหน่อยดีไหมคะว่ามีน้อยก็ไม่เป็นไรอืม ธรรมะเนี่ยนะเป็นลักษณะที่ว่ามันสืบต่อการปฏิบัติได้หมดนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปแยกธรรมะกับการทํางานแยกกันไม่ใช่สนะมมุติเราฟังตอนเช้าเราปฏิบัติไปด้วยนะช่วงหรือยู่ระหว่างวานันคุณร่วมหายใจไปด้วยนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะตรงนั้นเนี่ยมันจะช่วยเกื้อกูลกัลกนคุณยมริวออตอนเช้าคุณฟังธรรมะคุณปฏิบัติไปนะตอนกลางวานันมันจะช่วยให้คุณมีสติประครับประคองอยู่ในช่วงเวลาระหว่างวันได้ ในช่วงเวลาระหว่างวันคุณมีพย า, ยามีสติรู้ลมบ้างรู้ลมนั่นนี่บ้างะระหว่างรอลิฟต์ก็ตามระหว่างรอรถเมย์ระหว่างรอประชุมอย่างเงี้คุณรู้ลมไปใจปุ๊บตรงนั้นน่ะจะมาช่วยเกื้อกูลการปฏิบัติตอนเช้าตอนค้าอ ข, ของเราได้ใช่ไหมค ะ, ะ, มคะถ้าสมมติมีเวลามากๆก็ตรงไปนู่นเลยยิ่งถ้าตั้งใจจะไปทอดถิถ่นนี่ก็ต้องวันที่สิบเอดเดือนสิบเอดนะคะ่สําหรับวัดป่าดอนหายโศกออากาศคงเย็นบ้างกันไหมคะตอนนี้ก็ช่วงช่วงนี้ก็เย็นแล้ววัง บางวันก็มีหมอกลงหอค่ะเข้าใจว่าช่วงทอดกระถินไม่จะหนาวไหมคะท่านคะก็เป็นไปได้นะอย่างปีที่ผ่านๆมาก็อากาศเย็นค่ะแล้วสมมุติเกิดเขาพลาดไปลำพังกันจะไปค้างที่วัดนี่ต้อนรับได้ไหมคะอ๋อที่วัดก็มีที่พักเพียงพออยู่โอนะคะพพออยู่ค่ะก็โทรศัพท์กันมาที่0 2 2 6 9 0 0 0 6กันนะคะที่นี่ดิฉันได้แจ้งพอสมควรที่ สามารถจะร่วมในกิจกรรมเทอากัถิ่นนี้กันได้ค่ะนะคะมาขอพูดเรื่องการปฏิบัติตรงนินดนึงในช่วงเวลาที่เหลือนะก็คือว่าบางทีเราปฏิบัติไปเนี่ยมันทำไม่ได้ไม่เห็นเมอนง่วงเหนื่อยพวกเนี้ยน ะ, ะเป็นเป็นธรรมดาเป็นความเป็นปัญหาที่จะต้องเกิดขึ้นธรรมดานะ ค, คือเราอย่าไปท้อแท้อย่าท้อถอยนะอย่าให้หมดกาลังใจ เราพยายามทําทําไปนิดหน่อยเราก็เอาเราก็ทําอ่ะสมมุติเรานั่งสมาธิสิบนาทีอย่างเงี้ยในช่วงที่พันธมาพาทำนี่นะนั่งสิบนาทีเนี่ยคุณจิตไม่สงบ9นาทีสงบได้นาทีเดียวก็ยังดีนะได้นาทีหนึ่งก็ยังดีนะเราพยายามทําไงให้เจ้านาทีหนึ่งเนี่ยมันค่อยๆเพิ่มขึ้นใช่ไหมโดยการที่ว่าเออพยายามที่จะเ อ, อเราสร้างเหตุปัจจัยถูกต้องไหมเรารักษาศีลดีหรือ ย, ยังเรากินอาหารพอประมาณหรือเปล่า แเรามีความไม่ดีอะไรต่างๆเราก็แก้ไขแก้ไขไปไอ้ต้องหนึ่งนาทีเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มคุณโยมถิว่ อ, อ<ะ>แต่ถ้าเมื่อไหรนะั้นเราบอกโอ๊ยฉันได้นาทีเดียวเองอีกเก้านาทีฉันไม่ได้เลิกโอ้ส่วยเลยนาทีเดียวก็ไม่ได้นะอ่าคื อ, คอตรงเนี้ยมันจะเป็นกับดักของมารเนี่ยตรงที่ว่าเฮ้ยคุณเอาตามบทคนหมู่มากใช่ไมเก้านาทีไม่ได้งั้ น, นาทีต้องชนะนาทีต้องแพ้้ไไม่่่ใชชอยยาางงงนนนนััทีก็ะ หน้าทีหนึ่งยังไงก็ชนะแลนะ้เพรา ะ, ะนั้นเราทําไงให้นาทีเนี่ยมันมากกว่าเจ้าการนาทีก็แล้วกันเนาะค่ะอือก็คือต้องหมั่นสังเกตไปด้วยใช่ ไ, ไหมคะการปฏิบัติธรรมนี่ก็ต้องมีการสังเกตไปด้วยถูกไหมคะแน่นอนเพราะว่าการสังเกตเนี่ยเป็นเป็นหนึ่งคือสตินะั่นแหละสังเกตอะ่ะสติก็คือการเฝ้าสังเกตเฉยๆนะั่นอ่ะไม่ไม่มีอะไรนอกไปจากนี้เลยอย่างยามอะ่ะคุณยำติว๋วพระเจ้าเปรียตเหมือนกับนายทวานนะเฝ้าประตูอ่ะ ย่ามเขาก็สังเกตนะไอ้คนนี้มีบัตรหรือเปล่าคนนี้มีตรารถหรือเปล่าคนนี้มากับใครถืออะไรอยู่เนี่ยก็ต้องสังเกตหมดแล้ในจิตในจิตเรามีอะไรเนี่ยก็คือการสังเกตนั่นเองเป็นนทวารคือสตินั่นนะน ะ, ะก็เป็นหน้าที่ของทุกๆ ท, ท่านแล้กันใช้วันหยุดในการซักซ้อมกันให้เต็มที่แล้วก็หวังว่าสติของท่านจะเจริญมากขึ้นทุกวันทุกวันตามที่พระสูตรนะคะได้ ตรัเอาไว้ของพพุทธองค์เนี่ยนะคะในเรื่องรายละเอียดเหล่านี้ตกทอดมาถึงพวกเราสองพันกว่าร้อยปีสองพันห้าร้อยกว่าปีใช้คำนี้ค่ะก็กลับมามรสการขอบพระคุณท่านพิบูร์เป็นอย่างยิ่งนะคะเจริญบานมรสการค่ะต้นฝั่งที่เคารพค่ะและสำหรับการที่จะติชมหรือว่าจะขอหนังสือเข้ามาก็ที่เบอร์ศูนย์สองสองหกเก้าศูนย์ศูนย์ศูย์หกศูนย์สองสองหกเก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หก นะคะก็ที่มีทิ้งทั้งคําถามจะสอบถามเรื่องทอดกระถินก็ถามได้ทั้งวัดป่าเราไทรโศกและวันาประพงศ์เราลูกาซึ่งวัดนาประพง์จะทอดกรถินที่สี่นะคะหรือว่าจะขอหนังสือผู้ทวจนะโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์สดทิขโลมอบให้มา ก, ก็ไดเออ้เราจะพักกันสองอาทิตย์ค่ะส่วนท่านพิบูล น, นั้นท่านมีรายการต่อเลยนะคะที่สถานีทิวกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เชิญติดตาม รับฟังกันได้ในเวลาเดียวกับรายการนี้คือตีหส่วนรายการของเรากับพระภิกษุอีก2รูปจะกลับพบท่านใหม่ยวันพรุ่งนี้นะคะขออภัยค่ะในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะพุทธสวัสดีค่ะ